คนโง่โงเนี่ยมันจะกินแบบอรเร็ดอร่อยกินแบบเอาจิงเอาจังมากทางโลกเนี่ยเขาจะมีแค่ว่าสํารวมกินแบบเบาเากินแบบสงบนะทางโลกแค่นะั้นแต่ทางธรรมนี่เขากินเพื่อบรรลุได้ผ่านนะกินไปกำหนดรู้ไปมีสติและลึกรู้ไปเนี่ยทายังไงจิตจึงจะเป็นสมาธิไม่ติดในรสในชาติขณะกินเนี่ยทํยไงจึงจะไปสู่ความโล่งความโปรง่ง ไม่ได้กินแบบสนุกสนานเลยรวะ น, นั้นเพลิดเพลินนะไม่ได้กินเพื่ออเดตอร่อยเอาจริงเอาจังไม่ไถ้ากินแบบนั้นก็คือตายพอดีอ่ะกินแบบโง่ๆง่ติดทั้งปีทั้งชาติเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นทำอะไรลึกซึ้งเงินแม้แต่มารายาตเนี่ยคนก็รังเกียจเวลาเรากินเนี่ยเสียงดังวุ้๊วักวอาตมาไม่เคยกินอาหารขนมที่มาฉีกกินเนี่ยแต่มันไม่เคยกินนะ ยมดูก็แต่ไม่เคยอ่ะจะมาฉีกก็นั่นให้คนเห็นฉีกอันนี้คนกินเสียงดังไม่เคยมีคือมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นอยากปั่นนั้นน่ะนะมันมีความอยากปานนั่นที่ต้องลงทุนเยอะกว่านั้นนัภาษาอะไรเวลาคนกินเนี่ยเราทำเบ า, เบาเบาที่สุดแค่เราพยายามกินเนี่ก็ถือม า, มากพอสมควรแล้วกีเดียลากไปเนี่ย ลองดูดิเวลากินอาหารเนี่ยไม่เอาสักอันดูดิอันนันกับไม่เอาอันนี้กัไม่เอาไม่ใช่เขาวางไว้ที่โต๊ะอะไรทุกอย่างเอาหมดทุกอันนะเราก็ไม่รอดสักลายอะ่ะหมายเขาว่ากิ่เดีตก็ค่าไปแดกหมดนะคือเสร็จมันหมดนะ่ะเขาแล้เหยื่ออะไรมาวางแล้วก็บริโภคมอดเนี่ยนะลองดูนะคนกินเยอะเนี่ยวันสุดท้ายนี่ว่าจะได้สมาธิไหมเวลาเขาสัมภาษณ์เนี่ยจะเกิดอะไรไหมเนี่ย ไม่มีทางอะยากสํารวมอินทรีตาหูจมูกดิ้นกายโพชเนมันตันยุตากินน้อยเอาแต่พอดีรองนัคนกินได้เยอะนี่อีกสักหน่อยเขาติดขังเม่งเข้ามาทําสมาธิเนี่ยหลับทั้งวันนะเนี่ยถึงจะสอบตกกินเพื่อทําสมาธินะแต่เราว่าไม่ได้บอกให้เฉยแต่คนปฏิบัติธรรมเขากินเพื่อมานั่งปฏิบัติธรรมหลังจากนี้จะมานั่งปฏิบัติธรรมตั้หนึ่งห้ามงเช้าแล้วอัดเข้าไปอีกอาหารนหนักๆอีก แลก็นั่งอีกปฏิบัติธรรมจนถึงสิบเจดนิกเอาให้มันรู้จากพิษสงของการกินว่ามันทำลายตัวเองขนาดไหนเนี่ยลองดูนะนั่นคนไม่รู้จักหรอกว่าเรื่องกินเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์เอาให้เยอะกว่านี้มันก็เอาเยอะกว่านี้เอามาทั้งเยอะแต่ถ้ามราเอาตอนนั้นนะมนุษย์เนี่ยคือถ้ามันไม่มีปัญญามันออกจากทุกข์ไม่ได้หรอกมันจะยากมากกินก็ยากเวลาเราปล่อยเพ้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ มีสติปกติวิถีพุทธเนี่ยคือเราเดินไปไหนมาไหนเราจะกําหนดรู้สติจะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ต้องพูดถึงการพูดคุยเนะี่ยการพูดคุยนี่มันออกนอกตัวไปแล้วมันไปไกลแล้วมันหาเรื่องมาพูดแล้วนั้นเวลามันพูดจะพูดก็ตัดออกแล้วเหลือจะอยู่กับเท้าเรื่องรู้ไปเรื่อยๆหยิบแป้งซิฟันก็เรื่รู้ให้สติอยู่กับเราตลอดเขาเรียกว่าการอบรมจิตแบบนั้นนะไม่ให้จิตมันออกคือเอามันไว้ในนี้ ในตัวนี่แล้วก็เลยลึกรู้เฝ้าดูมันตลอดเวลาไม่มันวิ่งไปโน่นไปนี่ถ้าองนั้นมันไม่ได้อบรมจิตนั้นจิตมันไม่ได้ให้อบรลมถึงแม้เราจะสร้างจังหวะเดินจุกลมอยู่แต่จิตมันไปโน่นแล้วมันไปไกลแล้วแล้วเราจะมาอบรมอะไรอ่ะอบรมจิตคือมาเฝ้าดูมันนั่นเองอบมันไม่ให้มันออกเนี่ยเลยลึกรู้นั้นคนปฏิบัติทําไม่ก้าวหน้าไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมเป็นใครก็ตามที่ไม่ก้าหน้าต้องไปสังเกตเรื่องการกินพวกที่ไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิต ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องสังเกตเยอะดูมันกินก็รู้จักว่ามันขนาดไห น, นจะดูออกเลยคนแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้วิธีชีวิตมันเนี่ยถ้าเราเริ่มแต่คนกินน้อยนะคุณรู้จักอย่างพวกกินอาหารชีวิตจิตคดีพวกกินเจคดีเนี่ยเขาเริ่มมีการสร้างบรรทัดฐานชีวิตขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งเขาจะเริ่มมีการระมัดระวังนัื่องนี้แต่ถ้าคนกินมากนี่น่ากลัวนะ ปฏิบัติธรรมเข้มแข็งจริงๆนะปฏิบัติเอาจริงเอาจังแต่เสียท่ า, าที่การกินการกินเนี่ยอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมทัท้ทงโรกก็เหมือนกันนะโครคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเรื่องการกินนักโภชนาการเขาบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยใช้ปากเป็นจอบขุดหลุมฝังตัวเองตายเพราะปากนะไม่ใช่ตายเพราะปากไปพูดในคนนั้นคนนี้นะตายพเพราะแดกนี่แหละ อังนั้นกลธมัดระวังเงากินแบบไหนจึงจะมีสติและลึกรู้เอ๊ะทาไมเนาะผู้จึงเกิดปีติคนลุกสู้ซากขึ้นมาเกิดการแจมแจ้งขึ้นมาขณะการกินมองปปนนั้นอนะ่ะประเด็นการกินเนี่ยไม่ใช่มองแบบมองมันกินแบบอะไรอ ร, อ ร, อร่อยเพระอาหารว่านี้ดีจริงแล้วนี่อันนี้จะกินแบบโง่ๆง่งเนี่ยไม่เกิดปัญญา <c oughs> ไม่ใช่กินแล้วกูค่อยไปทําสมาธิตอนกินกูไม่ได้หวังว่าจะบรรลุดำอะไรไม่นะ การเข้าถึงทำการบรรลุธรรมเยต้องเกิดอยู่ทุกขณะจิตามน้ําก็เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมคือกำหนดรู้แหละกำหนดรู้อยู่บ่อยๆ่อๆบ่อยๆคืออันนี้เขาเรียกว่าสร้างเหตุนะสมุทัยของปัญญาก็คือการรู้สึกตัวเนะี่ยเอาเตรียมตัวตั่งโค้งเขาขึ้น